เดี๋ยวเขาไม่เห็นความดีอันนี้เป็นธรรมดาออแล้วก็ถือว่าไปกดของกรรมของเขาไม่ใช่เราเราทำดีแล้วแต่ว่าเขาไม่ดีก็ไม่เรื่องของเขาไปความเรารอนอยู่ที่เขาเราไม่รับ